หรือซ้ำเติมความทุกข์ให้แก่ตัวเองคือไม่ใช่ว่าต้องอยู่แบบยากลำบากคนที่มีเงินมีทองก็ไม่ใช่ว่าจะต้องอยู่อย่างตัวนีทีเหนียวคงไม่สรรเสริญด้วยซ้ำเศรษฐีที่กินข้าวปลายหักใส่เสื้อผ้าปุบปั๊อยู่อย่างระกมลำบากอันนี้เ้าเรียกว่าเป็นการซ้ำเติมความทุกข์ให้แก่ตัวเองเมื่อมีเงินก็ควรจะ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 แล้วก็ถ้าเกี่ยวข้องกับมันไม่เป็นมันก็ทํำลายเจ้าของบองที่พระองค์ก็เปรียบมันกับว่ามืนกับเนื้อกวางที่ไปหาติดใจในทุ่งหญ้าติดใจในทุ่งหญ้าหญ้าสดที่เขียวขจีติดใจเพลินจนกระทั่งโดนพรานซึ่งแอบซุ่มอยู่มันยิงเอา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 คนที่หิวมากๆมันก็ไม่ฟังหรอกข อ, อกินเอาไว้ก่อนดับกระหายก่อนเพราะความกระหายความทุกข์มันเป็นเรื่องเฉพาะหน้าดับกระหายแล้วจะเป็นอะไรต่อไปนั้นก็เป็นเรื่องอนาคตนะคนเราก็มักจะแก่ปัญหาเฉพาะหน้าทั้งๆที่รู้ว่าน้ำที่กินนั้นเนี่ยมันมีอันตรายมีพิษก็ตามอันนี้พวกเราเนี่ยก็อาจจะได้รับ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 ไปดิลลนแย่งชิงเขาแข่งขันต้องแข่งกันหาเงินหาทองก็เหนื่อยในระหว่างนั้นก็ต้องมีความโกรธมีความไม่พอใจเมื่อได้มาแล้วก็ใช่ว่าจะมีความสุขเพราะว่าก็อาจจะอิจฉาพยาบาทคนที่เขาได้มากกว่ารู้สึกเป็นทุกข์ที่ตัวเองได้น้อยกว่าและเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็มีสิ่งกระตุ้นให้เราอยากได้อยู่เรื่อย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 ท่นเราเาเคยเสด็จไปที่เมืงองพนขอนเก่นเมื่อประมาณร้อยปีก่อนตอ น, น, นท่านเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาไทยก็ไปหมู่บ้านนึงนะก็พกว่าชาวบ้านนี้เ็าผลิตเองทุกอย่างเลยไม่ใช่ข้าวอย่างเดียวที่ปลูกพวกพืชปักสวนครัวก็ปลูกฝ้ายก็ปลูกลเพราะฉะนั้นก็มไม่เป็นต้องไปซื้อเสื้อใครต่อผ้าเอง มันก็ปลูกไม้ก็เลี้ยงท่านบอกว่าชาวบ้านนี้มีทุกอย่างที่ต้องการอาจอยู่สองอย่างไม่คิดไฟกับมีดฟ้าแค่นี้แหละที่ซื้อจากตลาดที่เหลือทําเองได้หมดปัดจจัย4เพราะฉะนั้นมีเงินมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่มีความหมายเพราะว่าไอ้ของที่จะมาขายมันก็มีไม่กี่อย่างเงินมันก็เลยมีความหมายน้อยความโลภของคนก็เลยลดไปตามสภาพ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 มันมีของที่ต้องซื้อนี่เกินกว่าเงินที่จะมีไม่ว่าจะรวยเป็นมื่ล้านแสนล้านก็ยังมีของที่ต้องซื้ออยู่ยังไงเงินที่มีอยู่ก็ไม่พอนี่คือสภาพบริพงค์เดียวที่มันกระตุ้นให้เรารู้สึกไม่พอสักทีแล้วก็เกิดความโลภอยู่เรื่อยๆครา น, นี้พอได้มันแล้วนะมันก็ไม่พอใจเพราะว่า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 คอมพิวเตอร์ก็เหมือนกันมันก็ติดเกมเอาไว้มีลูกเล่นหลายอย่างนะมีโปรแกรมต่างๆมากมายมีแล้วไม่ใช้ก็กระไลยอยู่ก็เลยต้องใช้พอใช้แล้วมันก็เสียเวลาคือคนเสียเวลาไปกับการใช้หรือการบริโภคสิ่งเสพนี่เยอะมากเสียเวลาการเลือกเฟ้นว่าจะใช้อันไหนมีเช่นมีเสื้อผ้าเยอะก็ต้องเสียเวลาการที่จะดูว่าจะใช้อย่างไงจะใช้ในงานไหน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 วุ่วายน้อยลงแต่ก่อนมันมันสุขแบบร้อนๆสุขแบบวุ่นแต่ที่จริงมันสบายมากกว่ามันสบายแต่มันวุ่นแต่พอมามาไกลาจากกามมาอยู่ในสภาพชีวิตแบบนี้เนี่ยก็เริ่มสัมผัสกับเนคข ม, มสัสสุได้มีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นใจก็เริ่มนิ่งมากขึ้นอันนี้เรียกว่าเนคข ม, มสัสสุอันนี้ถ้าเกิดว่าเราคุ้นกับชีวิตตรงนี้มากขึ้นเนี่ยจนกระทั่ง พอใจกับความสุขที่มันเรียบง่ายจิตใจไม่โหยหากามไม่เรียกร้องไม่ทวิหนหาความสะดวกสบายหรือว่าการ ม, มาสุขก็จะได้สุขอีกแบบหนึ่งเรียกว่าปวิเวกสุขคือสุขอันเนื่องมาจากความสงัดจากกามมันคล้ายๆกับเนคขมัสุขแต่เนคขมัสุขมันหมายความว่าเราไม่ต้องไปเสียเวลาวุ่น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 ในจิตใจได้แต่เพราะในยุคปัจจุบันเนี่ยมันจะหาที่ที่มันวิเวกจริ ง, รงๆมันยากแล้วอันนี้เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะรักษาใจให้สงบได้แม้ว่าสิ่งแวดล้อมมันจะไม่เ อ, อึ่มหน่วยมีสิ่งกระตุ้นจะมีสิ่งยั่วยุจะมีสิ่ง ย, ยั่ยวยเย้า mm. ก็ใจก็สงบไม่ถูกลบกวนด้วยโลภะหรือลาข้า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 อันนี้เนี่ยมันต้องอาศัยธรรมะด้ยเพราะาสติสมาธิสปะชัญญะปัญญาที่รู้เท่าทันความเป็นจริงเหมือนกับที่พูดเมื่อเช้าเนี่ยหลังคาลัรั่วฝนมันรั่วลงมาก็รู้ไวไม่ปล่อยให้มันรั่วลดกันมากมายเป็นหาฝนอันนี้แหละก็ต้องอาศัยการปฏิบัตินะที่ทำให้เราสามารถจะปล่อยวาง ไม่ปล่อให้กิเลสมันลุกลามขยายตัวเข้ามามีความรู้สึกตัวอยู่อย่างเสมอต่อเนื่องไม่ว่าตายหรือรู้ผูดที่ยินเสียงมันไม่ปรุงเป็นกิเลสมันไม่ปรุงเป็นตัณหามันไม่เกิดความขัดเคืองใจเกิดขึ้นตรงนี้แหละที่เขาเรียกว่าเป็นสุขอีกแบบหนึ่งอุปสมะสุขสุขที่สงัดจากกิเลส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 มีปัญญาที่รู้ทันความไม่เที่ยงความแปรปรวนของสิ่งเหล่านั้นเรียนกะว่ารู้เท่าทันมีปัญญารู้เท่าทันโลกธรรมมีปัญญาเห็นโทษของกามถ้าถึงวอนายนี้จะเข้าไปเกี่ยวข้องนะก็ก็ไม่ย้อมติดเมื่อไม่ย้อมติดความชอบความชังหรือว่าการเพลินใจเวลาได้หรือทุกข์ใจเวลาเสียมันก็ไม่มี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 มีแต่ความทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์นะอันนี้ก็เหมือนกับที่ท่านเวหลางท่างเปลี่ยมนะว่าถ้าไม่มีกระจกแล้วนี่ฝุ่นมันหรือธุรีจะมาเกาะได้อย่างไรแต่ก่อนนั้นนๆคนก็ยังเชื่อว่าจิตเหมือนกับกระจกมันต้องขัดอยู่เสมอเพราะว่าฝุ่นมาเกาะฝุน่นมาเกาะก็ต้องขัดอยู่เรื่อยๆต้องทําความสะอาดอยู่เรื่อยๆแต่ว่า ถ้ายังคิดว่าจิตมันเป็นกระจกเนี่ยมันก็ต้องเสียงนะมันไม่ใช่แค่มีฝุ่นมาเกาะ อ, อย่างเดียวมันต้องระวังไม่ให้มอะไรมากระทบด้วยเพราะถ้ามีอะไรมากระทบเช่นหินหรือก้อนกรวดมันก็ร้าวก็แตกได้แต่ถ้าจิตไม่มีเลยหมายถึงว่าไม่มีตัวตนเลยไม่ไม่มีกระจกเลยฝุ่นมันก็ไม่ไดเกาะที่ไหนก้อนหินตกลงมาก็ไม่ทาให้อะไรแตกได้เพราะมันไม่มีตัวกระจกมารองรับก้อนหินนั้น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 มีกิเลสอยู่และกิเลสนั้นมันก็ยังเป็นอุประสรรคที่ทําให้ไม่สามารถเข้าถึงความสุขได้การปฏิบัติตลอดแต่วิถีชีวิตนะที่พระองค์ได้ได้วางเอาไว้เนี่ยก็คือเพื่อที่จะพาเราเข้าถึงความสุขแบบนี้เหมือนกับว่าเราล่องเรือไปตามกระแสน้ําอย่างที่เลบบอกไว้วันก่อนนะความจริงสธรรมก็เหมือนกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยว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 เกยตื้นหรือไม่ไปชนกับกองแกงถ้าทําอย่างนี้ได้ก็ไปถึงทะเลทะเลนี่ก็ท่านเปี่ยมมั น, นก็อนิพพานก็หมายความแม่น้ําทุกสายนีย่ก็พาไปสู่นิพพานท่านกระเพื่อมันกสัมมาทิฐีนั้นเนี่ยย่อมนําไปสู่นิพพานได้ทั้งนั้นนะรวมไปถึงชีวพลเมจันด้วยก็สามารถที่จะพาไปสู่นิพพานหลายรุ่มหลายลาดไปสู่นิพพานแต่ว่าระหว่างทางนั้นเนี่ยก็ต้องอาศัยความ